ตันหาอันมีธรรมชาติเหมือนเครือครายเป็นเครื่องดักสัตว์มีธรรมชาติไหลนองแผ่กว้างเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของสัตว์ซึ่งด้วยอํานาจแห่งตันหานั่นเองสัตว์โลกนี้ถูกปกคลุมห่อหุ้มไว้ถูกทําให้ยุ่งเหมือนได้ยุ่งประสานกันสับสนดุดรังนกนุ่งนางเหมือนพงหญ้ามุนชะและปะปะชะจึงไม่ล่วงพลนบายทุกติมิิบาทและสังสร้อยไปได้ อันนี้ไม่ใช่เดจาวูของเอพิโซดที่87แต่เป็นเอพิโซดที่88ครับนี่ตอน88ต่างหากไม่ได้ซ้ํากับคราวที่แล้วอาตมาพระไพบุ์ก็มาพร้มกับคุณหมอรัตพงศ์ครับกลับนักการครับกับผมรัตพงศ์กนกวิรุณจากกรุงเทพครับตอนนี้ตอนที่8888ิบแบแปดไมเราขึ้นหัวเหมือนตอนที่87เครับเพราะว่าเรื่องของไอความรัดรึงเนี่ยนัมรัตพงศ์ครับมันก็พูดกันได้อีกเราจึงมาขยายความกันต่อในตอนนี้ ตัวตัณหาเนี่ยนะครับใช่ใครเคยดูหนัง Predator สมัยก่อนนู่นครั บ, รบก่อนก่อนที่เราจะมาบวชได้ดูอยู่นะภาคสองหรือไงเนี่ยน ะ, ะที่เป็นตัวเหมือนตัวประหลาดมนุษย์ต่างดาวเข้ามาแล้วก็มาเที่ยวฆ่ามนุษย์ใช่ไหมใช่ครับมันมีอาวุธของ Predator อ, อยู่อันหนึ่งที่เป็นตะข่ายคือปกติมันจะมีมีดของเขาที่ติดอยู่ที่มือใช่มตัวใหญ่นะแล้วก็หน้าตาหน้าเกียรใช่ไหแล้วก็หายตัวได้นะ ดูได้เฉพาะด้วยคลื่นความร้อนเท่านั้นใครเคยดูหนังเรื่องนี้จะมีอาวุธของเขาอันหนึ่งที่ว่าเป็นตะข่ายแต่เขาก็จะยิงออกไปจากออุปกรณ์เครื่องยิงของเขาเนี่ยแล้วก็ไปติดกับไอ้คนนั้นในยึดติกับผนังก็ก็ดิ้นไปไม่ได้เลยแ ล, แล้วเป็นตะข่ายชนิดที่เคลือบด้วยสารอะไรก็ไม่รู้เป็นของมนุษย์ต่างดาวเนี่ยนะครับเอเรากระดิกนิดนึงปุ๊บเนี่ยมันยิ่งบาดเรามากขึ้นอืแล้วมันก็จ ะ, จะดึงเป็นคนไกลที่มันดึงเออให้มันรัดแน่นเข่าอนะกระดิกไปทั้งไหนเจ็บหมด เนะี่ยคือถ้าถูกตขาข่ายงั้นรัดรึงแล้วเนี่ยนะยิ่งดิน้นยิ่งเจ็บให้อยู่เฉยเฉยอยู่ยยเฉยเฉยใช่ไแล้ ว, ลวลเราจะอลุดเราได้ไงก็คือเรายกตัวอย่างคราวที่แล้วเราพูดถึงการถูกขับรถปาดหน้าจะเป็นรถเก๋งปาดหน้ารถมอเตอร์ไซค์ปาดหน้ารหรือเข้าคิวอยู่มีคนมาตัดคิวอยู่ข้างหน้าเรารนะเอายกตัวอย่างการจราจรนะถ้าเรานึกถึง รถถูกแล้วปาดหน้าปุ๊บเนี่ยเราจะนึกถึงความถูกต้องของกฎจราจรคุณทำอย่างนี้ไม่ถูกเ<ช>นะราก็ยังเข้าไปว่ารถใหม่ของเรานะีพอมีรถใหม่ของความคิดไหลไปต่อไปเรื่อยๆนะเอาลูกที่มาในรถด้วยมันจะเป็นอะไรไหมนะมันก็เกิดความกลัวขึ้นว่าลูกจะเป็นอะไรรถนะยังไม่ได้ทําประกันเลยเกิดความกลัวขึ้นนะหรือรว่าถ้ารถทํามาเพิ่งทําประกันมาใหม่ๆเลยเพิ่งจะเซ็นสัญญาประกันมาเนี่ยโอ้ยเราจะดีใจที่ว่าโอ้ยเมื่อวานเพิ่งทําประกันมาเอง เกิดไปแล้วนะเกิดไปแล้วนะะมีความโลภเกิดขึ้นตรงนี้นะพอต่อไปนี่คือคือพอเราถูกรัตเริงแล้วเนี่ยเราก็จะกลัวหรือไม่ก็โกรธหรือไม่ก็โลภนั่นคือราคาโทสะโมหะนั่นแหละมาครบเลยราคาโทสะโมหะจะมาครบเลยเพราะตัณหาเนี่ยเป็นก็ทําให้เกิดกิเลสกิเลสตัณหาใช่ไหมใช่ครับจึงไอ้ความคิดต่างๆ่างเราเนี่ยจึงเป็นที่เล่นมาของราคาโทสะโมหะโทสะมีอะไรบ้างสมมุติลูกละมานในรถด้วย เราก็จะมีควา่าเออฉันก็รีบเหมือนกันนะเ้อทําไมตำรลจไม่ทําอะไรเลยพ่อแม่มันเป็นใครดูซิตํารวจชั่วเต็มบ้านเมืองแล้วถ้ามันออกลูกมาลูกมันโตมันจะเป็นชาติมันจะเป็นยังไงโอ้กีบเป็นโน้เลยนะ <c ười> เปันเต็มไปด้วย <c ười> ความกโกรธเลยนะนี่แค่ <c ười> ถูกขับรถปาดหน้านิดเดียว น, น <c ười> ั่นนี่ทีนี้ทีนี้นี่คือกลัวโลภโกรธมาหมดเลยนะ <c ười> มันอัดเราเต็มที่เลยนะ กลัวก็คือตอนที่ว่าอุ้ยฉันรถยังไม่ทำํำประกันเลยเป็นต้นหรือลูกที่มาในรถจะเป็นอะไรไหมใช่ไหมความกลัวก็คือนึกถึงชาติบ้านเมืองที่มันจะล่มจมเพราะไอ้คนแบบนี้มันมีลูกต่อไปอย่างเงี้ยนะหรือความโลภเกิดขึ้นมาตอนที่ว่าอุ้ยดีฉันเพิ่งจะเอารถคันนี้ไปขายอยู่พอดีอย่างเงี้ยอุ้ยดีรถถ้าเป็นอะไรฉันก็ไม่เสียใจยอะไรเกิดความโลภขึ้นมานล็นึงคือความหิวว่างทีเถอะที่จะเอาได้เปรียบครับหรือว่าที่เพิ่งทําประกันมาก็มีความต้องการจะได้เปรียบก็คือลักษณะของความโลภ อ, อตัวอย่างที่สองที่เราพูดถึงก็คือว่าอยากจะให้ลูกนี่เป็นหมอหรือเป็นนักกฎหมายเป็นต้นแต่ว่าลูกมันพูดไม่เก่งหรือเรียนไม่เก่งแล้วทำไมมันจะไปเรียนทําศิลปะโอ้ยทํายังไงดีแล้วนะดูซีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราทํามาเป็นอย่างนี้หมดเลยเฮ้ยแล้วบริษัทที่เราตั้งไว้ใครจะดูแลนี่ความกลัวเกิดขึ้นหมดเลยนะอืม ค, ความกลัวนะอ่ะแล้วคนอาชีพอื่นไม่มั น, ม, น, ม, นมันไม่เก่งเท่าอาชีพเราหรอกนะเริ่มเริ่มมีความกลัวแล้วนะ ต้องเป็นเพราะว่าตอนที่เราท้องเน่เลยไม่ได้ไปทําอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่หมอดูทักนะ่ะไปแล้วนะ<อ>แล้วก็ต้องเป็นคนนี้เนี่เลยที่ลูกไปคบกับคนนี้ทําให้คนนั้นเป็นอย่างนี้เริ่มมีความกลัวแล้วนะต้องมีแผนกําจัดมันนะ่ะต้องจ้างนักสืบมาไปทําอะไรเตรียมแผนเหมือนกับในละครน้าเน่าครับกลัวโกรธตามมาหมดแล้วนะแนละ้วเออเออเอออย่างที่สามอย่างเช่นว่าเเราให้ทุกคนหยุดตามกฎอย่างกฎการเล่นเกมอย่างนี้เป็นต้นไหนทุกคนอยู่ในกฎการเล่นเ่นห้ามพูดอะไรกันน่ะไม่ต้องสื่อสารอะไรกันเลย นะถ้ามีคนพูดเปื้อขึ้นปั๊บเนี่ยที่อาตมาบอกว่าเราจะจีดเนะี่ยนะคนที่ดูแลกดเนี่ยเรากดออกออกกดมานะคนออกกดนี่จีดเองอนะอเพราะว่าคุณสร้างสิ่งที่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะจีดเองถ้าไปถึงจีดไอจีดนี่คือผลของความตั้หาวิจริตแล้วนะตั้หาวิจริตเนี่ยเกิดก่อนไออารมณ์ความรู้สึกพวกนี้นะ โ, <ห>โกรธโรคกลัวพวกนี้เกิดที่หลังจากความคิดต่างๆพวกนี้นะถามว่าระหว่างที่เราจีดขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไร พอมีคนพูดปุ๊บกูว่าแล้วไอ้คนนี้แน่นอนมันต้องทําผิดกะ mm hmm. ดูท่าทางมันพอน้ําให้ได้เลยมันมาก่าคนนี้มันต้องไปคุยกับคนนี้ด้วยแน่นอนดีล่ะไ mm hmm. ม่ต้องเอามันชื่อมันขึ้นตรงนี้ให้มันได้บุญน้อยๆหรือมัน อ, อะไรมาแล้วไม่รับอย่างเงี้ยนะนี่คือ mm hmm. สายความโกรธละปัญหาวิจารณ์วิมไปทานี้เนะแต่ mm hmm. พอแล่นดี่เป็นทางหนึ่งนะบอกว่ามันต้องมาคนนี้แน่ยเลยคนนี้ เอ่อต้องไปคุยคนนี้เนี่ยเลยโอ้ยถ้าคุยไปคนนี้แล้วคนนี้จะเป็นยังไงโอ้ยขอสอจะเสียระบบไปอย่ยุ่งไปกันอย่างน้นตอนนี้ทําไงชื่อเสียงของเราก็จะมีนะฟังกันแล้วอุตสาหสร้างสมมาตั้งนานย่อยยับหมดแล้วมันจะใครจะมาถือแย่แน่เลยไปแล้วสายความกลัวมาละอืมครับนะทั้งความรู้สึกเนี้ยโกรธเกลียดกลัวโลภหลงมันคระเคลา้ามันไปหมดเลยอืมด้วย <มา S 1> ตนุดเลยด้วยตนาวิจริต คือความคิดที่ล่นไปตามอำนาจของศานะแค่อันเดียวเท่านั้นเองครับนะแล้วพอพอเป็นงี้เราถูกรัดรึงหมดเลยนะยิ่งคิดยิ่งเจ็บยิ่งล่นไปไหนยิ่งเจ็บเหมือนเราถูกไอ้ตะขายของเบรดเตอร์นี่นะรัดปุ๊บนี่นะยิ่งกระด็กนี่โอ้โหมันมันเจ็บไปหมดบาทใช่ครับแล้วตะขายมันรัดแน่นครับตัวอย่างของหนังเรื่องนี้นะถ้าใครไม่ได้ดูอธิบายให้ฟัง คือมันตะขายมันรัดแน่นมากมันยิงเข้าไปปุ๊บเนี่ยเหมือนเราไปติดกับกำแพงอะนะแล้วตะข่ายมันก็จะมีหมุดที่ล็อกกับกำแพงแล้วสายของมันเนี่ยวดดึงขึ้นมาได้แล้วก็มีความคมความแข็งสูงแค่โดนมันก็เจ็บแล้วแล้วมันยังรัดเราด้วยเรายิ่งดิ้นมันยิ่งปาดเรามากขึ้นเพราะนั้นพอเราโดนตันหารัดรึงแล้วเนี่ยนะเรายิ่งดิ้นยิ่งคิดมันยิ่งปายกันใหญ่ยิ่งเจ็บมากขึ้น ยิ่เจ็บมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหยุดความคิดทีนี้ก่อนที่จะไปถึงวิธีหยุดความคิดจะพูดอย่างอย่างสมมติตอนที่ถูกคารถษปาดหน้าเป็นต้นเนี่ยนะเรากําลัง ร, รีบไปโรงพยาบาลนะเราก็รีบเหมือนกันนะฉันก็รีบไปตามหมอนัดงาน น, นะหมอนัดเพราะว่าไปทํากายภาพบรรบัดเท่นั้นเองนะไปทํากายภาพบรรบาดโอ้ถึงเวลานัดแล้วแต่ฉันก็รีบเหมือนกันรถคันที่ปาดหน้านี่ ก็ด่ามันด่ามไม่เรียบร้อยแล้วนะมีทั้งความโกรธความโลภความโกรธ <c oughs> ความกลงว่ะความหลงเกิดขึ้นเต็มที่แล้วนะตอนที่อยู่ในรถ <c oughs> ปรากฏไปถึงโรงพยาบาลมาระพงครับก็ไปเจอไอ้อคนที่ขับรถปาดหน้าเราเนี่ยแหละจาหน้าไว้ด้วยนะจําหน้ามันได้ <c oughs> ไปถึงเสร็จปุ๊บพบว่าเขาก็ไปโรงพยาบาลเดียวกับที่เราอยู่นะเขารียไปเพราะว่าลูกอายุแปดกลุ่มเขาถูกรถชนต้องการเลือดด่วนเป็นเลือดกรุ๊ปที่หาไม่ได้พ่อแม่ต้องรีบออกไปให้แต่ว่าไปไม่ทันลูกตายเสีแล้วอืมครับนะ ถามเราจะรู้สึกไงโอ้ไอความโกรธตอนโดนป่านี่เรียกว่าเล็กน้อยมากเลยมันใช่มันเทียบกันไม่ได้เลยมันหายไปเลยนะเราโง่จริงๆเลยอืไอ<ต><ช>ที่ผ่านมาเราเหมือนคนบ้าอย่างงี้แหละหมอรัตพงศ์เขาเรียกว่าวิปลาสวิปลาสคือการเห็นผิดเพี้ยนไปจากที่มันควรจะพ้องเป็นผิดเพี้ยนไปจากที่มันเป็นอย่างนั้ น, นะคือที่พระเจ้าพูดถึงว่าเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตน อันนี้คือคือวิปลรราสวิปลรราสก็คือบ้า น, นั่นเองนะเหมือนเราเป็นคนบ้าเลยที่ผ่านมานะถ้าเราเห็นความจริงในลักษณะนี้เห็นตามที่มันเป็นอย่างนั้นอืมเราเป็นกลายเป็นคนบ้าไปเลยนะถ้านในเคสนี้นะเราพบว่าเอ้ยเขาโอ้โ ห, โโหเจอทุกข์มากของเราขนาดนี้เราเป็นคนบ้าจริงเลยครับโอ้ยเราไม่น่าทำอย่างนี้นะยเราแย่จริงเลยคงรู้สึกเหมือนกิ้วทางคิดหรือว่ากิ้วเอผิดมากๆเลยอุ้ยนี่คือตัญหาเนี่นะมันเกิดมาเนี่ย พวกกิเลสเนี่ยนะมันเกิดมามันทําร้ายตัวเจ้าของจริงครับอืมเผาเหมือนเผาเผาในใจม้าอสดงลูกม้าอสดงเกิดมาฆ่าแม่มันนะคุยภัยเกิดมาฆ่าต้นไผ่ใช่ไหบที่เราเคย ค, ค, คุยเป็นตอนก่อนนั้นปัญหาในเกิดมาทําให้เรารู้สึกผิดขนาดมันไม่มีอยู่แล้วนะความโกรธไม่มีแล้วนะความกลัวไม่มีนะความโลภ ก, ก็ไม่มีแล้วนะไอความคิดเหล่านั้นหายไปหมดแล้วนะครับมันหายไปแล้วเรายังรู้สึกผิดอยู่เลย อืมโอ้โหมันอันตรายมากทั้งถาขึ้นและขาลงมันซัดเราหมดอืมครับมันที่ความรู้สึกผิดนี้เป็นเป็นกิเลสอีกขั้นหนึ่งไหมครับท่านาในที่รู้สึกผิดใช่รู้สึกสําคัญตนว่าเลวคือเราเรามันมันเป็นอย่างนี้มันเป็นสองส่วนนะเอะความรู้สึกกลัวเนี่ยนะไอะความรู้สึกสงสารเนี่ยนะแบบแรกที่เราพูดถึงว่าเป็นความรู้สึกสงสารชนิดที่ว่าเอ่าสังรู้สึกสังเวช นอย่งไปอินเดียอย่างเงี้ยโอ้โหเห็นสภาพแล้วต่าที่ที่พระุทเจ้าประสูติปริิพันธ์มันหายไปหมดเลยจริงๆนะความรุ่งเรืองอะไรมันรู้สึกสงสารสลดสังเวชอันนี้แบบหนึ่งสงสารอีกแบบหนึ่งที่ที่สงสารแบบจับใจคือสงสารแบบเสียใจเสียใจสงสารครับเ ส, ส, สียใจเนี่ยเป็นความรู้สึกอะไรอ่ะเป็นความรู้สึกหมาฤกษ์พงว่าเป็นความรู้สึกแบบไหนเหมือนเป็นทุกขเวทนาเ น, เนาะ ใช่ใช่ทุกขเวทนาเหมือนโอ้ถ้าลูกเขาตายแล้วถ้าลูกอืแบบสงสารเด็กตายอย่างเงี้ยใช่แล้วเราตรงนั้นน่ยคือความกลัวแบบหนึ่งนะสงสารชนิดที่ว่าเป็นทุกขเวทนานะอตรงนั้นเป็นทุกขเวทนาแต่ว่าสงสารชนิดที่ว่าปล่อยวางได้นั่นคือความสะกดสังเวชสังเวชอืาเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกเกิ่ยวความรู้สึกที่ฉันผิดเนี่ยนะอคุณจะแบบว่าเสียใจสําคัญตัวเองว่าเลวก็ได้เป็นมานะเป็นเป็นมันะีกชนิดหนึ่งใช่ หรือว่าเป็นเสียสรดสังเวชมันจะต่างกันตรงที่ว่าจิตใจเราจะไอความรู้สึกนี้มันมีอยู่นะอย่างเวลาเราเสียใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งคนคนที่เรารักมากอย่างเงี้ยมาทรยศแต่เราอย่างเงี้ยครับโอ้โหมันเสียใจชนิดที่ียว่าบาดลึกไม่ใช่เสียใจแบบปล่อยวางนะอันนี้ไม่ใช่เสียใจแบบแค็งเสียใจแบบขับแขนขับข้องใจมีความขับแขนและร่าเราะวางกันนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้มันมันคือความ ความรู้สึกอะไรที่เราอธิบายได้ยากเนี่ยนะมันผสมกันอยู่หลายอย่างแน่นอนจริงครับครัพอคิดถึงตอนที่เรารักกันโอ้โหมันยิ่งปิดพอกิดถึงตอนที่เหตุการณ์นั้นโอ้ยมันยิ่งเศร้านะความรู้สึกผสมผสมผสมกันเนี่ยมันบอกไม่ถูกว่ามันคืออะไรกันแน่สัญญานี่ก็เกิดสัญญานั้นก็เกิดเนี่ยคือความคิดที่แล่นไปตามอํานาจของตันหาตันหาครับครับโอ้แล้วถ้าเราปล่อยวาไม่ได้คือเราเราเราสวยเลยนะ ก็เหมือนกับว่าที่เขาบอกว่าเหตุเกิดขึ้นครั้งเดียวแต่ว่าไ อ, อ้พอตัณหามาคิดซ้ำๆเนี่ยมันเหมือนถูกแทงซ้ำแทงซ้าแทงซ้ำจนบางคนแบบว่าจนแบบไปหาทางออกไม่ได้ไปฆ่าตัวตายก็มีเป็นโรคเครียดเป็นโรคอะไรใช่ครับซึมเศร้าไปเลยนะหลุดไปเลยจากความเป็นจริงใช่ครับตรงนี้นะมีคนอาจจะมีความเห็นว่ามันอยู่ในมันอยู่ในจีนของเราหรือเปล่า มันอยู่ในสายเลือดของมนุษย์อเปล่าแตเพราะว่าถ้าดูความยุ่งเหยิงของเจ้าพวกนี้เนี่ยนะครับมันเหมือนกับดีเอที่มันเชื่อมต่อกันนะมรรคภมอืมอืมใช่ครับยุ่งเหยิงครับมันเพันๆๆอยู่ในสายเลือดของมนุษย์เลยนะความยุ่งเหยิงมันไม่ใช่วงบอกแค่ในจิตอย่างเดียวนะครับเอออาจจะเป็นไปได้ก็ได้มาเขาไม่ทราบเหมือนกันมีทฤษฎีทางจิตเขาบอกไอ้ซึมเศร้าแบบถ้าเกิดว่าคนบ้านนี้สมมติพ่อแม่เคยฆ่าตัวตายลูกก็มีแนวโน้มที่จะ ค่าตัวตายอย่างเงี้ยทางนักจิตวิทยาฝรั่งเขาเขามีวิจัยแล้วเราก็บอกมันก็มันเรียนแบบกันหรือเปล่าอวิธีคิดหรือวิธีแก้ปัญหาเนี่ยมันก็เลยแบบว่าเหมือนว่าอ่ะก็เคยทำทำต่อๆกันมาอะไรอย่างเงี้ยครับอืก็ถ้าถ้าโดยที่พระเจ้าสอนมันก็ก็คือว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ใช่นะ่ะคือถ้าเราคิดว่าเอ้ความสุขทุกข์ที่เราประสบพบเจออ่นี้เป็นเหตุจากกรรมเก่าอย่างเดียวใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ถูกลอ่า มันคือถ้าเราบอกว่าโอ้ยเราเป็นมีเป็นกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์คืออุปสรรค์อะไรต่างๆของเราเนี่ยคือมีกรรมเป็นแดนเกิดไม่ใช่มารดาปิดาเป็นแดนเกิดคือเนื้อตัวของเราเนี่ยมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดใช่ครูเจ้าตรัสหมายมีธาตุสใช่ไหมมีมารดาปิดาเป็นแดนเกิดเน้นประกอบขึ้นด้วยทั้งสี่แต่การกระทําของเรากิริยาที่เราจะได้รับอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นกรรมเป็นกําเนิดแต่เรื่องคุณจะทําอะไรล่ะ ถ้าคุณจะเลือกกรรมนี่คือการการะทำใช่ไหมกรรม <c oughs> คือเจตนาใช่ไหมคุณเจ <c oughs> ตนาที่จะเชื่อตามที่สี่ที่นักวิยาการว่าอ่านั่นคือเจตนาของคุณเป็นไปได้นะ <c oughs> คุณอาจจะเป็นอย่างที่เขาบ้าก็ได้เพราะว่าคุณเลือกที่จะมีเจตนาอย่างที่เขาว่านั่นคือกรรมนะใช่ครับในกรณีอีกกรณีหนึ่งถ้าคุณเลือกที่จะเชื่ออย่างที่เขาไม่ได้พูดอีกอย่างหนึ่งอย่างตรงัข้ามกันก็เป็นไปได้ถูกป่าวใช่ก็มีเปอร์เซนต์ที่เขา ตามการวิจัยออกมาว่ามันก็ไม่ได้เป็นเหมือนกันนะเราก็ <ừ, S 2> เป็นอย่างนั้นก็ได้เพรา ะ, ะนั้นจึงพระเจ้าจึงบอกว่ามีกรรมเป็นแดนเกิดคือเจตนาไงที่คุณจะเชื่อหรือจะไม่เชื่อละ่ะคุณเลือกที่จะเชื่อหรือจะไม่เชื่อได้นั่นคือเจตนาอยู่แล้วอืยับงยังกรณีของคนถูกขับรถปาดหน้าอย่างเงี้ยคุณเลือกที่จะเชื่อว่าไอ้เขาทําไมเขาเป็นคนอย่างนี้เลือกที่เชื่อว่าเขาเขาแบบว่าทําตัวไม่ดีเลือกที่เชื่อว่ า, า, า, บบวาตํารวจไม่ดี อาอคุณก็เติร์ตตัวทุกเองคุณมีเป็นแดนเกิดของตัวเองอืกรรมเป็นแดนเกิดของตัวเองนะหรืออย่างตัวอย่างที่ลูกอย่างพ่อแม่อยากให้ลูกเป็นอย่างที่ตัวเองหวังเป็นหมอ<แ>เป็นศวกกฎหมายอะไรต่างๆแต่ลูกไม่เป็นนะ แ, แต่ว่าเอ๊ะโตขึ้นมาเขาก็เป็นคนดีไม่สูบยาไม่ติดยาเสพติดนะมีครอบครัวทํางานหาเงินโอมันไปทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้เงินมากกว่าเราอีกจริงดังว่ไอ้ที่เราทุกข์มาทั้งยี่สบสีสิปีนี่มันไร้สาระจริงเลย เออครับมันกลายเป็นเหมือนกับละครน้ําเน่าจริงไงครับครับจริงครับบางบางทีบางคนแบบว่าเออเรียนไม่เก่งแต่พอพอชีวิตโตขึ้นเหมือน เ, อเล่นหุ้นเก่งสมมติ อ, อย่างเงี้ยโอ้เล่นหุ้นเก่งรวยร้อยล้านอย่างเงี้ย ม, มีมีประวัติเยอะแยะเลยครับกลายเป็นว่าโอ้พ่อแม่กม็ตอนเด็กๆมันก็เรียนไม่เก่งเออทํางานก็ไม่ได้เรื่องแต่เอออย่างเงี้ยครับมันก็พลิกผันแล้วก็ทุกเปลเปล่าปลี้เป่เลยนะครับไร้สาระมากใช่ กินครับแล้วคุณมรทุกเป็นสิปีก็แค่เห็นว่าอยากให้เขามีความสําเร็จใช่ไหมใช่เขาก็มีความสําเร็จในที่ตรงนั้นก็ได้เหมือนกันหรือว่าอย่างว่ากดการเล่นอย่างเงี้ยเราบอกต้องห้ามพูดกันแต่ถ้าเราไปโม้คิดว่าเอ๊ะเขาห้ามพูดกันแต่สุดท้ายคนนี้ที่เขาพูดกันเนี่ยเขาโอ้โหเห็นทําขั้นหลึกซึ้งก็มีโอ้เราไปเราเป็นบ้าที่ไปเครียดไปกรธไปกลัวในขณะที่เขาทําก็อาจจะเป็นอย่างอื่นอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้คิดก็ได้ อ๋อที่มีพระสูตพรพระพระุทธเจ้าบอกว่าอย่าคิดว่าสิ่งนั้นใช่สิ่งอื่นเปล่าอย่างนี้ใช่เพราะฉะนั้นไอความคิดที่แล่นไปตามอำนาจของตัณหาเนี่ยนะมันจะไม่เกิดการจับยึดครับว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าครับพ่อแม่มันสั่งสอนมาอย่างนี้แน่นอนชี้หน้านแล้วก็ทำหน้าตึงๆนิดนึงครับก็เลยก็เลยทําให้มันมีความแน่นอนนะ่ะมันก็เลยจะเป็นทุกข์ของตัวเองแหะครั บ, รบก็เลยทุกข์ตัวเองซะเลย มีความจับยึดก็ไม่ใช่ว่ายังเป็นการตามรู้ไว้ซึ่งความจริงที่ตามรู้ซึ่งความจริงที่อยระทาคต์กล่าวกับภาระทวราชาอย่างนั้นอีกไหมครับใช่ใชว่าอย่าพึงเชื่อว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าใช่ไหมครับนี่แหละคือการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงยังไม่ได้รู้นะแค่รักษาไว้เฉยตามรักษาไว้ซึ่งความจริงทีนี้ไอเรื่องตรงนี้เนี่ยที่ท่านฟังฟังไปตั้งแต่ตอนที่ผ่านมานี่นะ กลับมันก็จะเสริมเหมือนกันเกี่ยวโยงกันเกี่ยวเนื่องกันครับก็เพิ่มเติม้ิมาในเรื่องของตัวอย่างแล้วก็พูดถึงว่าไอ้กิเลสคือกิเลสคือเครื่องเสื่อมหม อ, องใจนะที่มันเกิดขึ้นจากความคิดพวกเนี้มันผสมเป็นแกงหม้อใหญ่เนะ่ที่เหนือดอยยืดเหนียวติดเนะ่ทั้งรสชาติทุกอย่างอยู่ในนี้หมดทำให้เรามึน ะแล้วบางทีความกระเทือนใจมากๆอย่างเช่นคนที่เรารักมาทั้งชีวิตทรยศหักหลังเราเขาคิดว่าคนนี้จะดีแต่มันจะไปมีชู้นะหรือไอ้เรื่องที่เราเตรียมไว้มันไม่เป็นอย่างที่หวังโอ้โหมันปี๊ดแทบจะแตกออกจากร่างกายแทบจะแตกจิตใจแทบจะแตกเลยนะเคนที่เศร้ามากๆเลยอย่างเงี้ยโอ้จริงๆครับ พบเห็นได้ทั่วไปครับแล้วตอนวินาทีที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะอรุพรมันไม่ได้คิดเป็นคําพูดนะมันมันคิดเป็นรูปภาพคิดเป็นคิดรวดเร็วมากเลยเ่พับพๆบๆๆบพับพับพัอนจนกระทั่งบางทีนั่งอยู่คนเดียวน้ำน้าตาตกเปาะพอกลงมาเน่เพราะว่าความที่อ่ามันเกิดขึ้นจากในนะคนพูดเรื่องนี้ทีไรปุ๊บมันจี๊ดแล้วก็ร้องไห้ขึ้นมาแล้วมันก็ ไม่ใช่คิดเรื่องเดียวนี้แน่นอนมันปุบปบปบปุบบปุบบปุบบอยู่นั้นอยู่แล้วมีเรื่องอื่นมาผสมประสานมาเป็นชุดเลยคือมันมาจากเรื่องเดียวนี่ไงที่เราว่าธนูดอกเดียวลูกศรดอกเดียวแล้วแทงไปปุบปุบบปุบบปุบบพรุนก็เรียกว่าเหมือนคนผู้นั้นได้เอามีดแทงตัวเองเหมือนที่มีคําพูดซ้ำไปซ้ําอีกใช่ครับจริงๆค่าศึกแทงเราแค่ดอกเดียวแต่เรามาเอามีดนั้นมาแทงตัวเองซ้ําๆำซ้ำซ้ำซอีกใช่ ค่าศึกจริงๆอ่ะมันไม่ได้อยู่ข้างนอกเราคิดว่าอคําสอนอื่นคนอื่นศาสนาอื่นจะมาทําให้คําสอนพระเจ้าแย่ลงไม่ใช่มันก็คือคนในที่ในคําสอนพระเจ้านี่แหละที่มาจะทําให้มันแบบมีปัญหาในคําสอนนะพวกเองแตกกันเองเงี้ยอืมันเห็นมาเยอะแล้วบ้านเมืองเองแตกกันเองก็สุดท้ายก็ล่มสลายมันไม่ใช่ว่าสามัคคีมันไม่ใช่ค่าสึกภายนอกเลย อ๋อ oh, ครับเพราะฉะนั้นใจของเราเนี่ยที่จะมันทาให้ตัวเราเนั่นแหละทุกเองครับเปรยียบเหมือนกับคนที่ตาบอดนะมีคนเขามาหลอกได้ยินข้อมูลว่าไอ้ผ้าขาวเนื้อดีนะเป็นของสหอาดประศจากบนทินมีคนเขามาหลอกด้วยผ้าเปื้อนเปื้อนข่ามาเนื้อเหลวแล้วก็คิดว่าอันนี้ดีมากๆเลยเอามาหมไปโชว์คนนั้นคนนี้ดีก็ไปเที่ยวบอกคนอื่นว่าตํารวจมันเป็นอย่างงี้ หรือว่าคนอาชีพนั้นมันเป็นอย่างนี้พ่อแม่มันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเนีย่ยไปเที่ยวคุยนะก็คือเหมือนกับเอาไอ้ผ้าเนื้อเลวเปื้อนเข่าเนี่ยไปเที่ยวโชว์คนอื่นอย่างนี้แหละหมอรัตพงเขาเรียกว่าวิปลาสนะวิปลาสคือการเห็นผิดเพี้ยนไปจากที่มันควรจะพ้งเป็นผิดเพี้ยนจากที่มันเป็นอย่างนั้นอ๋อเข้าใจครับอเห็นภาพชัดเลยนะครับตัวอย่างนี้สุดท้ายสุดท้า ย, ายพอไปเจอว่า โอ้โหตายแล้วลูกเขาอายุแปดขวบถูกรถชนต้องการเลือดด่วนมาไม่ทันลูกตายวอาเราละทิ้งความนั้นทันทีความคิดนั้นทันทีครับใช่ก็คื อ, อเหมือนกับคนตาสว่างแล้วก็ละความยึดมั่นยึดถือในผ้าเนื้อเหลวเปื้อนเข่านั้นได้พร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งธรรมจักรสุขว่าโอ้ตายแล้วเราเมันโ ง, ง่จริงูกลตาสว่างตาสว่างใช่เกิ ค, ความปงตกได้นะ ในกรณีของที่ขับรถตุล ร, รถขับรถปาดหน้านะพอ<ช>ตาสว่างปุ๊บก็จะมีความเสียใจคือสังเวชเอาไว่้งั้นเถอะความเสียใจตรงนี้คือแบบสังเวชว่าทําไมเราถึงได้โง่ยอย่างนี้ตาสว่างขึ้นมาปุ๊บก็เรียนรู้ละอย่างนี้นตัวอย่างนี้กินใจจริงครับต้องบอกคือเรา เ, เราถูกหลอกไงด้วยด้วยจิตของเราเนี่เองที่เข้าไปจับยึดในตัณหาถามว่าจิตเนี่ยมันเล่นไปตามจริตไอ้วิจารเนี่ยนะความวิตกวิจารความคิดพวกนี้ ก็คือจิตนั่นเองที่แล่นไปตา ม, ม, มแล้วมันไม่ได้ยึดถืออะไรมารถงนอกจากขันเท่านั้นเองขันห้าครับนานจริงหนอนานจริงหนอพระเจ้าบอกที่เราถูกจิตนี้เนี่ยคดโกงล่อลวงปลอมเทียมปลิ้นปล อ, อกจึงเราเมื่อจะยึดถือเนี่ยก็ไม่ยึดถือแล้วซึ่งรูปเัฒนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นของเรารเพราะความยึดถือเป็นเหตุพบจึงมีกับเราถูกไหม เราเข้าไปก้าวลงในภ พ, พว่าฉันก็รีบเหมือนกันนี่ลูกของฉันก็มาในรถด้วยนีกลัวว่าอันนี้จะเป็นอย่างงั้นกลัวว่านี้จะเป็นอย่างนี้นีนนชื่อเสียงรากศากล่าอะไรๆๆต่างๆอันนี้ต้องคบกับคนนั้นแน่นี่คือภพทั้งนั้นเลยครับเนี่ยพอมีภพเนีจึงมีการาเกิดครั บ, รบมีความคิดเราเก้าวลงแล้วนะเกิดคือความกําหนัดจับยึดนะครับพอมีการเกิดแล้วก็จึงมีความแก่ความตายความโศกความรํารลำบักความทุกข์กายความทุกจริตความขับแค้นใจทั้งหลาย มาพร้อมไปหมดครับในหลายๆเรื่องมันจะซ้อนทับกันได้ใช่ไหมครับหมายถึงพบตรงนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าพบที่เราเกิดมาเป็นตัวเนี่ยคือหนึ่งพบไม่ใช่อ่าไม่ใช่ครับคือคือด้วยด้วยทั้งสองด้วยอ่าในพบครับอ่าคือมันมีทั้งละเอียดหยาบต่อๆกันไปนะครับพบเล็กๆอย่างนั้นก็มีหมายถึงว่าพบที่เป็นตัวมนุษย์คนแก่คนตายไปงานศพพวกนี้ก็ใช่ด้วยแต่ในเดียวกันพบของจิตที่เข้าไปก้าวลงในอารมณ์นี้ก็เป็นพบด้วยเป็นอะไรด้วยอืครับ อเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นเหล่านี้จะรวดเร็วแล้วก็เรียกว่าถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยจะจะไม่ไม่รู้ไม่รู้ทันนะครับศึกษาธรรมะนี่ก็คือว่าเราก็รฉลาดาในการ ท, ที่จะจะดูวาระิตของตัวเราเองอนะอย่างธรรมะอย่างกรณีเนี้ยเห็นได้เลยว่าอ่ะ20ปีต่อมา30ปีต่อมาเฮ้ยรุ่มมันก็ดีนี่ยว่าใช่ครับรุ่กมก็ดีนี่ยว่ามันก็เลี้ยงตัวเองได้นี่ยว่าอืมอเราก็เห็นธรรมะได้ละตรงนั้น ณ<น>วินาทีที่เราพบว่าอ้าวลูกเ้าตายดีกว่ามันขับรถปาดหน้าเราเราเห็นทํามะแล้วตอนนั้นใช่ครับณวินาทีที่เห็นใบไม้ร่วงนะเปรียบเทียบกับลูกตัวเองที่ตายไปนะเอาใบอ<ม>่อนก็ร่วงได้ใบแก่ก็ร่วงได้ เ, เด็กอายุอันนี้ก็ร่วงได้นั้นก็ใบ<ม>แก่ก็คนแก่ก็ตายได้นะก็ทําให้เกิดธรรมะขึ้นทันทีได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นที่ว่าเห็นธรรมเห็นธรรมเนี่ยก็คือว่ า, าความ ตามความเป็นจริงนะครับเห็นผู้เห็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยชื่อว่าเห็นธรรมไงเพราะฉะนั้นเราถ้าเราเห็นกระบวนการตรงนี้ใ น, นเกิดขึ้นในจิตมาตัณหาเรามันเข้าไปจับยึดทําให้จิตไปมีความคิดก้าวลงนั้นนี่นนรเราก็ถูกหลอกลายไปก็ตรงนี้แม้ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งก็ได้เราก็เห็นธรรมอย่างกรณีที่ไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บลูกเขาถูกรถชนตายถูกรถชนต้องการเลือดตายเนี่ย เราจะเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์ความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งมันไม่ใช่ความเป็นเหตุเป็นผลเลยอโอ้มันไรสาระมากวางไ้สาระนั่นแหละคือคุณเห็นธรรมไอ้เรื่องอะไรที่มันไ ม, ไม่ได้เกี่ยวมันไม่มีอะไรเกี่ยวกันนะไอ้เรื่องมันไม่ได้เกี่ยวกันอยู่แล้วคุณอามาเกี่ยวกันเองเนี่ยคุณเป็นทุกเองเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละพระเจ้าถึงบอกว่าตัณหาเนี่ยเป็นปฏิปทาให้เกิดเวทนาแต่เพราะว่าไอ้ความสุขทุกขตรงนี้ใช่ไม้มเราถูกแทงหนึ่งดอกปุ๊บมันคิดไปบึ้มบึ้มบมบึบึ้ปุ๊บจึงมีเว เราจะมีความสุขทุกอะไรอ่างตางเพราะมีพัทธะเกิดขึ้นในใจในมีพัทธะก็มีเวทนาตรงนี้ก็เลยเป็นตัณหานเป็นปฏิปทาให้เกิดเวทนาตามที่พระเจ้าไ ด, ได้บอกเอาไว้แตนี้มันอาจจะไปเข้าใจสับสนว่าเอ๊ะเวทนาให้เกิดตัณหาหรือเปล่านั่นะก็นี้ในประเด็นสัมุบาติแล้วว่าเวทนาเป็นเหตุเกิดตัณหาใช่ไหมแต่นี้ตัณหาที่เรามีอยู่แล้วไงตัณหาเรามีอยู่แล้ว คําวนะ่าปฏิปทาหมายถึงกระบวนการการทำงานไม่ต้องผ่านขั้นตอนผ่านกระบวนการคิดผ่านตันหาวิจริตบื้องบื้ม บ, ม บ, ม บ, มบม อ, อกมาเป็นภาษาใหม่ภาษาใหม่นี่แหละทําให้เกิดเวทนแะแต่ประนั้นตันหาจึงเป็นปฏิปทานั่นคือกระบวนการ ท, าที่ทําให้เรามีความสุขความทุกขก์และเรามีความสุขความทุกข์ก็เฉพาะไอ้เจ้าตันหานี่แหละที่มันเป็นเหตุเป็นกระบวนการการทํางานแต่ตันหาจึงเป็นเหตุของความทุกข์ทุกทั้งหมดรวมลงที่เวทนา ใช่ครับปรากฏว่าไอ้เรื่องที่มันไม่เกี่ยวกันเรามาเกี่ยวกันพอเราเป็นทุกเองเสร็จปุ๊บเราเห็นชัดเจนว่ามันไม่เกี่ยวกันว่าเขารีบเนี่ยเพราะลูกเขาจะตายจริงๆนะครับมันสมควรแก่เหตุนะครับมันก็เลยตัดตรงนี้ได้อืไว้ที่เรามีมันไร้สาระมั้มีคําถามที่จากคุณวิชัยฮะที่บอกว่าสอดคล้องกับเรื่องสันเลขธรรมเออท่านท่านก็เออผมก็ฟังร่บทานนะมันก็เกี่ยวข้องกันแน่นอน นะัคือธรรมชาติธรรมะที่พระเจ้าบัญญัติไว้เนี่ย <ทำ S 2> มันมันลิง k ์ เ, งเชื่อมกันไปหมดขูดเกา่าใช่นะัคือครเราเห็นบ้างคุณอื่นเข า, เ, าเป็นอย่างนี้ก็อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะก็มีคุณวิชัยพูดถึงคอมเมนต์เองของสาริกธรรมครับนะซึ่งก็คิดว่าสอดคล้องกันครับเกี่ยว ข, ข้องกัรทํําทาเครื่องขูดเก้านะครับใช่คือธรรมะพระเจ้านี่มันจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมด นะตรงนี้จะไปเกี่ยวข้องกับ <ขา S 2> เรื่องศีลก็ได้จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องโพชงก็ได้จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องตัณหาอันนี้พูดตัณหาเต็มเตมอยู่นจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องวิมุตติก็ได้จนะเกี่ยวข้องกันได้หมดเพราะว่ามันอยู่แวดล้อมจิตนั่นเองอืแล้วเกี่ยวโยงกับเรื่องสันเลกธรรมในแง่มุมไหนครับท่านเราคนอื่นเขาด่ากันเราจะไม่ด่ากันเราจะหยุดได้ตั้งแต่ตอนที่ในรถใหม่ของเราละ อย่างสมมตคนอื่นเขาจะอมีความคิดฟุ้งซ่านตรงนี้ฟุ้งซ่านแล้วนะเราจะไม่มีความคิดฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเราเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วเราก็เกิดว่าเราจะไม่ทํารู้ครับนะส่วนมีท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งคุอคุณศึกษาปฏิบัติได้พูดถึงการที่ครูบาอาจารย์ที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมานะครับเอเราจะพบว่า อย่างอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยธรรมะตระนที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะคือถ้าเราหวังพึ่งพระเจ้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็บอกอ้าวให้พึ่งพึ่งธรรมะพึ่งธรรมอ่าไปหวังพึ่งธรรมะใช่ไ้มอ้าวธรรมะบอกอะไรให้พึ่งตนพึ่งตนพึ่งธรรมอ่าพอจะพึ่งตนโอ้ยเราความสามารถพึ่งพระสงฆ์ก็แล้วกันแต่พระสงฆ์นี่เป็นตัวอย่างขงคนที่พึ่งตนนะสงฆ์นี่คือหมายถึงคนใครก็ได้ที่พยายามที่จะหลุดออกจากความทุกข์นะไม่จำเป็นต้องห่มเครื่องแบบนะเอ่าเป็นใครก็ได้ที่ปฏิบัติ เป็นตัวอย่างของการที่ฝึกตนพึ่งตนนะเราไปดูพระรู้เจ้าก็บอกใ้พึ่งทำไปดูพระธรรมบอกให้พึ่งตนไปดูว่าสงุงพึ่งสงเป็นตัวอย่างการพึ่งตนเราเข้าพึ่งตนพึ่งทำเข้าใจไหมพึ่งตนพึ่งทำเนี่ยเราต้องมีผู้ช่วยนะคือผู้ช่วยหมายถึงว่าผู้ที่คอยที่จะแนะนําเอ้พึ่งตนเนี่ยมันทํำยังไงกระไลยนามิดใช่ไหมอ่าใช่กัะลยนามิดในแง่มุมต่างๆใช่ไหมครับพูดถึงว่าบางทีไอความคิดตรงพวกเนี้ย เราเกิดประมาทขึ้นเนี่ยววๆๆๆๆออกมาเนี่ยเหมือนเป็ดเลยเนี่ยนะไฟพ่นบึมบึมบึมบึมออกมาจากปากเนี่ยนะแล้วก็เหม็นด้วยเนะครับอมันมันทําให้ถ้าเรามีเพื่อนดีเพื่อนดีเนี่ยจะคอยรักษามิตรที่ประมาทจะคอยรักษามิตรมาดึงดึงมาดึงดึงมาเอ้ยคุณคุณพูดไม่ถูกแล้วนะหรือว่าพยายามที่จะอมีแง่มุมที่จะคอยให้เขาหยุดสิ่งที่ไม่ดีที่เขาทําอยู่แบบออ ทีนี้ทีนี้ถามว่าการยานามิตรเนี่ยนะที่พระเจ้าพูดถึงมีตัวพระองค์เองก็เป็นการยานามิตรได้ใช่ไหมตัวพระเจ้า<ร><ร>เองรหรือจะพูดถึงครูบาอาจารย์ที่เรามีศรัทธาเลื่อมใสบุคคลใดบุคคลหนึ่งใช่ไหมรหรือเพื่อนหัวดำดำเพื่อนเล่นเพื่อนอะไรก็ได้ที่เป็นคนมีสีมีชาค่าเป็นต้นรมีศรัทธาเป็นต้นหรือว่าเป็นเอาอริยมรตมีองแปกก็ได้ออตัวธรรมะก็เป็นการยนานมิตรได้นะครับใช่การยานามิตรเนี่ยจะทําให้เราอยู่ในอริยมรตมีองแปกได้ กะเลมิดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรารักษาตัวให้อยู่ในความไม่ประมาทแต่เพื่อนถามว่าเอ๊อถ้าคุณจะบอกว่าเอาแต่กระเลมิดคืออริยามังมียงแปดครับอาริยามังมีงยมมงแปดเนี่ยทําให้คุณมีความไม่ประมาทนะแต่<น>แต่เราไม่เห็นนะ่ะเราไม่ได้เอามาใช้ได้เพราะว่าคุณยังประมาทอยู่ถูกไหมก็แสดงว่านนะับวินาทีนั้นนะ่ะอาริยามังมียงแปดไม่ได้เป็นเพื่อนคุณนะเพราะบางทีรรเราต้องการเพื่อนที่แบบมันนั่งคุยอะ จับเขาคุยกันฉันบอกให้เธอฟังฉันบอกให้เธอฟังจเธอจะฟังไหมฟังอฟังแล้วทำไงอาช่วยรักษาไม่ประมาทนี่มีเพื่อนดีอคือบางทีถ้าเราบอกว่าฉันต้องมักแปดมักแปดเท่านั้นไม่เอาใครเลยมันคุณพูดได้ว่าเป็นคุณเอามักแปดเฉยแต่คุณทําไม่ได้อ่ะมักแปดตอนนั้นไม่ได้เป็นเพื่อนคุณเพราะคุณไม่เขาไม่ได้รักษาคุณจากความประมาทได้ออแต่มักแปดเป็นเพื่อนคุณนะแต่คุณไม่รู้จัก เอาเขามาใช้ต่างหากเหมือนกับคนดีๆมีอยู่เยอะในโลกเนี้ยคนอยู่แต่ประเทศนั้นจังหวัดนั้นก็มีเอ้แต่้องไม่ไปหาคบกับเขานั่นเป็นกันแตารรคุณรู้มักแปดอยู่แต่คุณไม่ไปหาคบกับมักแปดแล้วถ้าเราบอกจะเอามักแปเป็นเพื่อนดีก็คุณไม่คบกับเขาเขาก็เลยไม่ได้ให้ประโยชน์ไม่สามารถรักษาเราได้เพราะนั้นถ้าเราบอกว่าจะเอามักแปเป็นเพื่อนเราอย่างเดียวเอ้คุณทําได้ไหมคุณคบมักแปดเป็นเพื่อนหรือเปล่าลเพราะฉะนั้นบางทีมันมีความสําคัญที่จะต้องเอาเพื่อนที่หัวดําๆที่เราคุยได้ตตััวจบ้้อองไดนยมาค บอกเราหรือว่ามีคนรักษาเราในลักษณะนี้นก็สมควรอยู่อือพึ่งตัวนี้ยังพึ่งไม่ถูกเงี้ยรู้หลักแต่ไม่ได้มาใช้อ่าที่พระเจ้าเคยตรัสไว้ไงว่าจำ<ร>พุทธวจะนะได้มากก็จริงใช่ไหมแต่ว่าเห ม, มือนกับคนเลี้ยงโคลนะอเลี้ยงคโคลให้คนอื่นแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์จากน้ํานมโคเลยนะก็คอยนับโคลให้คนอื่นอย่างเดียวเหมือนคนรู้พุทธพจน์มากแต่ว่าไม่ได้ประโยชน์จากสามัญญผลอืสามัญญผลคืออะไรหมอธปงสามัญญผล ไม่ทราบครับสามัญญผลนี่เป็นพระสูตรน่าจะเป็นพระสูตรที่หนึ่งหรือที่สองนี่แหละในพ ร, ระไตรปิฎกใน อ, อในเรื่มสุตตตปาปิฎกนะ น, นะครับเป็นผลยังไงนะครับสามัญญผลเป็นลักษณะของผลเป็นผลที่จะได้พึงได้ในการบพยยิพรมจานทร์ก็มีครับมีอะไรบ้างครับมีพระเจ้าศัตรูนี่แหละไปถามพระรูชาว่าเอ้ยสามัญญผลคืออะไรนไปถามศาสดาองค์นั้นอง์นี้แรงต่างต่างศาสนาเขาก็ไม่ได้คําตอบตามที่เราต้องการ พระเจ้าอาชาตสตรูก็เลยไปถามพรุรูชาว่าเอ๊ะจะได้ผลสามัญญผลที่เห็นได้ในปัจจุบันมีลายไหมในการบารมี พ, พรมชาติครับก็ได้คําตอบจากพระรูชาว่าผลที่เห็นได้ในปัจจุบัน ใ, นในการบารมี พ, พรมชาติอย่างเช่นว่าคนที่เป็นลูก น, น้องของพระเจ้าอาชาติสตรูเนี่ยข้าราชการหรือว่าคนที่อยู่ในคอย <บา S 1> ที่จะมาคอยคอยตื่นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้อะไรอย่างนี้นะแล้วเขามาออกบวชแล้วเนี่ยถามว่าพระเจ้าอาชาตสตรูยังจะให้เขาทําอย่างนั้นอยู่ไหม พระเจ้าอาชาติูบอกโอ้ยคงไม่ทำเราก็จะให้ไปบวชจะคอยเราต่หากที่จะคอยอุปถักรับใช้มีจีวรต้องการจีวรเสียนัสนาอะไรไม่ก็จะคอยอุปถักรับใช้ไม่ต้องให้คนนั้นมาอรับใช้แล้วแล้ ว, ลว<ม>พระเจ้าก็บอกนี่นะสามัญชนผลอย่างที่เห็นได้ในปัจจุบัน<ม>เห็นในปัจจุบันเลยนะ อ, ะอีกประการหนึ่งประการที่สองพระเจ้ายกตัวอย่างถึงคนที่ต้องคอยเสียภาษีอาก่ร ต, ต้องเอาเงินมามีเลือกส่วนไล็นาเอาเงินมาให้พระเจ้าอาชาตรูใช่ไหม เราคอแบบเราจ่ายสวยอย่างเงี้ยนะแต่พอมาบวชแล้วไอ้พวกนี้คุณไม่ต้องจ่ายเลยมีแต่พระเจ้าอาชาติรรสตูที่ควยมาอุปถักรับใช้คนที่มาบวชอย่างนี้อันนี้คือสองอย่างที่เห็นได้ในปัจจุบันทีนี้พระเจ้าอาชาติรรสตูก็เลยบอกโอ้ยอันนี้มันแหมมีที่มันยิ่งไปกว่านี้ไหมถามพระเจ้าแหมอันนี้มันมันธรรมดานะคือในความคิดของพระเจ้าอาชาติสตูคิดว่าน่ะอ๋อเด็กผลที่เหนือกว่านี้มีอีกไหมมีไหมครับท่านมีพระเจ้าก็ไล่ไปเลย ต้องแต่ศีล น, นะสมาธิคือง่ายๆศีล ส, สมาธิปัญญาไนะล่ตั้งแต่จุลศีลมชิมาศีมหาศีลใช่ไไล่ไปจนถึงสมาธิ ช, 1, ช, 2, ช, 3, ชนนะั้นหชั้นชั้นสาั้นไล่ไปจนถึงวิชา1วิชา2อวิชา3อภัญญาหกอย่างเงี้ยไล่ไปโอ้โหนี่เป็นคุณวิเศษทั้งนั้นเลยนะใช่ครับเออนี่ยเป็นสามัญญผลอย่างศีลอย่างเงี้ยเราปฏิบัติตามศีลปุ๊บอย่างเช่นเราไม่ได่าใครไม่ว่าใคร และ<ม>เราจะได้ผลแห่งสามัญญผลจะได้สามัญญผลทันทีคือเราจะมีความไม่ร้อนใจมรรทงเราจะมีควา ม, มสบายใจนี่คือสามัญญผลที่เห็นได้แต่ถ้าถ้าเราไม่ทําตามนั้นเราจะไม่ได้ก็คือเหมือนกั บ, ค, บคนเลี้ยงโคคอยนับจํานวนโคให้เขาแต่ไม่ได้กินนมโคดื่มนมโคเลยครับเพราะฉะนั้นพอเรารู้แล้วเนี่ยเราตูนนาลัดรึงอยู่ใช่ไหมคุณอย่าดิน้นอย่าดิน้นอย่าดิน้นทําไงพยายาม ย้อนเข้ามาตัวนะมองเข้ามาตัดตรนหาตัดตะข่ายนี้ซะอย่าไปดิ้นแต่ตัดตะข่ายจะตัดตะข่ายทําไงต้องอยู่นิ่งๆก่อนนะดูสติว่ามันอยู่ตรงไหนตัดตรงไหนมันถึงจะหลุดอย่างนี้นะอยู่นิ่งๆดูก็คือว่ามีสติมีสมาธินะครับอแล้วก็ใช้ปัญญาเนี่คมๆเนี่ยตัดมันซะอืตัดมันซะเราจะค่อยๆรอดพ้นจากตรงนี้ไปได้ จากกิเลสปัญหามเพราะฉะนั้นพอพูดถึงตรงนี้เนี่ยจะก็เป็นตัวอย่างที่พระเจ้าให้พึ่งตนพึ่งธรงงรมแต่เพ ร, รนั้นพึ่งตนพึ่งธรรมก็คือว่าเรามีกัลยาณมิตรนะมีกัลยาณมิตรไม่ใช่ว่าอริยมรรคมีจงาแ8ดเท่านั้นนั่นก็ด้วยในขณะเดยียวกันถ้ามีเพื่อนหรือใครที่เราพูดคุยได้ที่จะรักษาเราจากความประมาทเราก็ทํานำะเพื่อใ ห, ให้เรามีส่วนแห่งสามัญญผลตรงนี้ได้ครับการการฟังธรรมะของเราจะไม่สูญเปล่า จะได้จะได้ไปปฏิบัติด้วยใช่ใช่แล้วก็มีท่านผู้ฟังคือคุณครูแมมครับนะได้พูดถึงว่าทำให้ฉลาดในวรจิตของตัวเองมากขึ้นในการที่ได้ฟังฟังตรงนี้ไปเรื่อยใช่เพราะว่าวรจิตของพระพุทธเจ้าก็ตามหรือของเราก็ตามเนี่ยนะมันก็คือเป็นจิตที่มีธรรมชาติเหมือนกันคิดประพอนนี่นะครับ อันนี้คือคือที่มันมีอยู่ข้างในอยู่ของเราอยู่แล้วนะจิตประสาทนะนะอาการที่จิตปรุงแต่งนั่นนี่อะไรออกมาเนี่ยมันก็เหมือนกันเป็นธรรมชาติเดียวกันการกําหนดบทเพลงชนะบุชเจ้าเนี่ยก็คมรัดกลมเพราะนพอเราฟังไปเรื่อยๆซ้ำๆย้าๆเนี่ยมันก็ทําให้ไอ้ความแตกตางตรนี้มันเกิดขึ้นนะทำให้เราฉลาดมากขึ้นรรตรงนีมน้มันจึงต้องพูดกันอีกย้ําอีกว่าธรรมะเนี่ยเป็นของที่ทําซ้ําๆทําย้ำๆ อย่างมักแปดเนี่ยมักแปดเนี่ยเป็นของที่ทําซ้ําๆยำๆนั่นคือทําให้มากทําให้บ่อยทําให้เจริญทําให้เจริญเนี่ยหมายว่าทําบ่อยๆะทํามากๆทําซ้ําๆทํายํำๆอย่างชานาเขาปลูกข้าวหมาแล้วทุกครับเขาก็ทําทุกปีนะทุกปีเขาก็ทําบนแปลงเดิมอวิธีการเดิมเอ้ทุกปีได้ข้าวมาทุกปีทุกปีนะเลี้ยงกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วนะออืขายได้ราคาแรงต่างมันก็ เป็นเพราะว่าทําเหมือนเดิมที่เดิมแปลงเดิมนาเดิมหรือนักวิ่งเขาวิ่งเอาเท้าซ้ายนำเท้าขวาเท้าขวานําเท้าซ้ายใช่ไหมครับเขาก็วิ่งด้วยกระบวนการเดิมอแบบเดิมเฮ้ยมันวิ่งมาราธอนได้เออใช่ตัดถนนตัดถนนเขาก็ตัดด้วยกระบวนการเดิมใช่ครทชีละช่วงละสามรอยเมตรสามรอเมตรไปเออเฮ้ยมันยาวได้ไว้ด้วยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจิตของเราเราปฏิบัติเราปฏิบัติที่กายที่ใจของเราที่เดิม แ่ฟังธรรมะไม่ใช่ว่าต้องไปฟังบทใหม่หรอคือหมายความว่าฟังบทใหม่ก็ได้นั่นเป็นการศึกษาเพิ่มเติมก็ดีแต่ถ้าเราฟังบทเดิมแล้วเรคิดว่าโอ้ยฉันคงบรรลุทําไม่ได้หรอกมีแต่ซีดีเดิมๆอ่าคุณคิดผิดละอไม่ใช่ว่าต้องไปหาซ้ำๆไม่ใช่ว่าต้องไปหาซีดีใหม่ๆมาฟังโอ้ยนี่ออกแล้วบ้างใหม่แล้วมีประเด็นใหม่ๆแล้วอะไรต่างๆแล้วก็ประเด็นเดิมน่ยก็ฟังไปก็ได้นะเพราะว่าอะไรซ้ําๆย้ำๆมันฉลาดมากขึ้นจทําบ่อยๆทํามากๆทําให้เจริญ สิเที่ยวยี่สิบเที่ยวก็จะมีแง่มุมที่เออได้ขึ้นมาใช่แบบงอกเงยขึ้นมาจริงๆนะครับคุณอย่างกวาดบ้านนะหมอละพงกวาดเนี่ยคุณคือคือไม่ใช่ว่าคุณกวาดแล้วคุณก็กวาดไปเรื่อยๆกวาดเหมือกับไปกวาดบ้านอื่นด้วยคิดว่ามันจะสะอาดมากขึ้นไม่ใช่คุณกวาดในบ้านคุณนั่นแหละแต่ทํามากๆเช็ดถูมากๆมันสะอาดยิ่งขึ้นทําซ้ํานะเออทําซ้ําทํารอบแรกแล้วสะอาดระดับหนึ่งทำรอบสองสะอาดขึ้นอีกทํารอบสามสะอาดขึ้นอีก ทำที่ไหนบ้านตัวเองแหะไม่ได้ทําบ้านผู้เดินอืมคิดว่าตัวเองทําเนื้อที่มากขึ้นน่จะได้ผลดีมากขึ้นไม่ใช่ออืมทํําทาซ้ําๆทําย้ำๆทำซ้ําๆกลับเพื่อความแตกฉานชซึ้งได้ครับวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องขยายความเรื่องเพิ่มเติมเรื่องตัณหาที่เหมือนกับลูกศรมีความรัดรึงด้วยแล้วก็ได้ยกตัวอย่างเพิ่มเติมที่มาประกอบทาให้เห็นว่า ปัหาเนี่ยมันไหลไปมีความคิดมากมายโดยที่พูดถึงสามัญผลเบื้องต้นเนอะสามัญผลเบื้องต้น อ, อย่างอย่างเร็วนิดนึง่งครับความเกี่ยวข้องกับสันเลขาธรรมนะครับสันเลขธรร ม, รรมใช่ครับอ่าแล้วก็พูดถึงวิธีแก้นะคือระยะมักมีความแปกการมีเพื่อนดีนี้สําคัญนะอย่าเป็นแค่ว่ารู้เฉยแต่ว่าให้ทําด้วยครั บ, รบก็จะทําให้เราพ้นจากความทุกข์ได้ ครับเพราะในวันนี้ก็มีเรื่องที่จะพูดคุยเท่านี้แหละคุณหมอนพงศ์ครับครับแล้วก็มาพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับกราบบุษยการราบพระคุณพระอาจารย์ภัยบูลอภิพุนโนแห่งวัดป่าดอนไห่โศกจังหวัดอุดรธานีครับสวัสดีครับกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ